คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังทำไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายกัน เราเกิดมากับร่างกายและหลังจากที่ร่างกายตายไปเราก็จะตายไปกับร่างกายด้วยแต่นี่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นดวงวิญญาณเป็นธาตรู้ที่มา ครอบครองอาศัยร่างกายที่เป็นธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาให้แก่ร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น อาการเหล่านี้เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสีในขณะที่อยู่ในท้องของมารดาช่วงที่อยู่ในท้องนั้นเป็นการก่อสร้างร่างกายด้วยธาตุสีที่มารดาเอาเข้าไปในร่างกายผ่านทางอาหารผ่านทางลมหายใจ ลมหายใจก็เป็นาธาตุธาตุลมน้ำที่ดื่มเข้าไปก็เป็นาธาตุน้ำอาหารก็มีทั้งาธาตุน้ำมีทั้งาธาตุดินผสมกันแล้วก็าธาตุไฟก็คือความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์นี้ mm hmm. เมื่อมีาธาตุสี่ที่เป็นวัตถุดิบผสมปรุงแต่งกัน ก็เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมาตามลําดับพอร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ไม่สามารถอยู่ในครันได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาทารกก็เริ่มต้องเอาธาตุเข้าไปในร่างกายด้วยตนเองคือต้องหายใจเองต้องเอาลมหายใจเข้าไปในร่างกาย แล้วเวลาที่ต้องการธาตุดินธาตุน้ำก็จะร้องขอจากบิดามารดาบิดามารดาก็จะคอยป้อนอาหารป้อนน้ำรักษาร่างกายให้มีความร้อนอันนี้เป็นการเจริญเ ต, ะตะิบโตหลังจากที่ออกจากคันมาก็ยังต้องมีการเติมธาตุสีอยู่ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ พราะถ้าขาดท่านใดท่านหนึ่งไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายนี้หยุดการพัฒนาได้หยุดการทํางานได้เช่น mm hmm. ถ้าขาดลมหายใจไม่มีลมหายใจเข้าไปในร่างกาย mm hmm. ก็จะอยู่ได้ไม่นานไม่กี่นาที mm hmm. ถ้าขาดท่าน้ําก็จะอยู่ไปได้ ไม่หลายไม่กี่วันก็จะต้องตายถอาก า, าศธาตดินคืออาหาร <c oughs> ก็อยู่กันไปไม่กี่อาทิตย์ก็ต้องตายไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราลองค้นหาดูว่าตัวเราอยู่ที่ไหนในร่างกายเราลองแยกแยะอาการต่างๆของร่างกายออกมาดูแล้วไล่ไป ดูแต่ละอาการว่าเราเป็นอาการเหล่านี้หรือไม่เช่นเราเป็นขนเราเป็นผมหรือไม่เราเป็นขนหรือไม่เดบหรือไม่ฟันหรือไม่หนังหรือไม่เนื้อหรือไม่เอนหรือไม่กระดูกหรือไม่ม้ามเอยหัวใจเอวยตับเอยลำไส้ อาการต่างๆเหล่ า, านี้เป็นเราหรือเปล่าเราเป็นอาการเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราแยกแยกออกมาร่างกายชำแรละร่างกายแยกออกมาเป็นกองกองอาวัยวะแต่ละอย่างแยกออกมาแล้วก็กองกองไว้เราก็จะเห็นแต่อวัยวะสามสิบสองแต่เราจะไม่เห็นว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเลยเพราะความจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ เราผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้ที่ดูร่างกายนี่ผู้ที่ศึกษาเรื่องของร่างกายอยู่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย<ม>เราเป็นผู้รู้ผู้คิด<ม>ที่มีความสามารถที่จะคิดเรื่องราวต่างๆได้<ม>คิดเรื่องของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นมาได้อย่างไร ม, มาจากอะไร อันนี้ถ้าเราศึกษาแล้วเรามาแยากแยะดูอาการสารสิบสองนี้เราจะเห็นว่าในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเลยถ้าผมเป็นตัวเราเวลาเรากรผมไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เราก็ยังดูเราก็ยังรู้ร่างกายนี้อยู่เราถอนฟันออกไปแล้วเราหายไปกับฟันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้หายไปกับฟัน เราเบบิจากเลือดออกไปจากร่างกายแล้วเราหายไปกับเลือดหรือเปล่าถ้าเราเป็นร่างกายถ้าเราเป็นเลือดเราก็ต้องหายไปกับเลือดด้วยอันนี้คือการแยกแยะเพื่อให้คลายความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดของพวกเรานี่ก็เหมือนกับคนโบราณคนสมัยก่อนที่เข้าใจผิดคิดว่าโลกนี้แบน บอกที่ว่าโลกนี้แบนก็เลยไม่กล้าที่จะไปเดินทางออกไปไกลสุดขอบฟ้าเพราะกลัวว่าจะตกขอบฟ้าไปจะตกออกไปเหมือนกับเป็นโต๊ะนีถ้าเราถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงขอบโต๊ะเราก็จะต้องตกลงไปคนสมัยก่อนจึงไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆกลัวออกไปแล้วเดี๋ยวเรือจะตกออกจากขอบขอบโลกไป แต่ความจริงแล้วเขาก็มีคนที่กล้าหาญที่ช่างรู้ช่างคิดก็คิดว่าโลออกนี้น่าจะกลมมากกว่าแบนเพราะเวลาที่เขาดูดูขึ้นไปบนท้องฟ้าดออูดูดาวต่างๆก็มักจะเห็นเป็นวงกลมกัน mm hmm. ก็เลยสรุปว่าโลกก็คงจะเป็นเหมือนกับดาวที่มองเห็นในโลกนี้ส่วนหนึ่ง แล้วเขาก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถพิสูจน์ว่าโลกนี้มันไม่แบนมันโค้งเว้าพอสังเกตดูเวลาเรือที่อยู่ในทะเลเข้ามาเข้ามาฝั่งนี้สิ่งแรกจะเห็นเสาธงเรือก่อนจะเห็นส่วนสูงของเรือก่อนแล้วคอยแล้วถึงจะค่อยๆเห็นตัวเรือตามลำดับต่อมา อันนี้ก็เหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเวลาคนขี่ม้าข้ามเขามาเราจะไม่เห็นตัวมา้าเห็นตัวคนก่อนจะเห็นทงที่เขาปักไว้โบกไว้ก่อนหรือจะเห็นคนขี่ก่อนเห็นส่วนที่สูงก่อนเราก็จะค่อยเห็นตัวมา้าต่อมาก็แสดงว่าพื้นที่เขา เดินทางมานี่มันไม่ใช่พื้นพื้นพื้นราบพื้นเรียบแต่เป็นพื้นโค้งเว้าอันนี้ส่วนเขาก็พิสูจน์กันได้ว่าโลกนี้มันไม่แบนเขาจึงกล้านําเรือออกไปแล้วสามารถวิ่งออกไปไกลแสนไกลก็ไม่เคยตกออกจากขอบทะเลไปเพราะมันเป็นโค้งเว้าไปเป็นวงกลมอันนี้ก็เกิดจากการพิสูจน์กัน จกิดจารการใช้ความคิดใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้ตรร ก, กะ mm hmm. ฉันใดร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกัน mm hmm. ถ้าเราใช้ตรร ก, กะ mm hmm. เราใช้เหตุผลเราลองแยกแยะร่างกายนี้ดูดูดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร่างกายนี้ mm hmm. คือตั้งแต่เริ่มต้นของการผสมปรุงแต่งของธาตุของบิดาและมารดา ธาตุสี่ของดิบิดามันดาและธาตุสี่ของมันดาม า, มารวมกันแล้วก็เริ่มขยายขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นอาการสามสิบสองกลายเป็นร่างกายขึ้นมาและวัตถุดิบที่ทําให้เกิดอาการสามสิบสองนี้ก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟ เมื่อมารวมตัวกันผสมปรุงแต่งกันก็เหมือนกับเวลาที่เราทำกับข้าวขับปลาเนี่ยเราจะได้อาหารมาแต่ละชนิดเราก็ต้องมีวัตถุดิบเอามาผสมกันมีผักบ้างมีเนื้อบ้างมีน้ำบ้างมีเครื่องปรุงบ้างพอมารวมกันปรุงแต่งกันเราก็ได้อาหารชนิดต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เช่นเดียวกับร่างกายเป็นเครื่อง เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่รือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟและร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวผู้รู้อยู่ในร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นอีกธาตุหนึ่งที่เราเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นี้มีความสามารถในการรู้มีความสามารถคือเป็นผู้รู้ สามารถรู้อะไรได้ร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่รู้อะไรได้เลยตาก็ไม่รู้ว่ารูปที่ดูที่เห็นนี่เป็นรูปอะไรเสียงที่ได้ยินก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรผู้ที่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้อาการสามสิบสองของร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นธาตุรู้ผู้รู้นี่ แล้วผูรู้นี้ธาตุรู้นี้นอกจากมีความรู้แล้วยังมีความสามารถที่จะส่งกระแสของวิญญาณไปเกาะติดกับที่ร่างกายที่อวัยวะคือที่ที่เอ่อที่ตาหูจมูกนิ้วกายที่เรียกว่าอายตนะห้าตาหูจมูกลิ้วกายนี้ เป็นเป็นจุดที่ธารู้นี่จะมาเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อที่จะรับข้อมูลคือรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายธารู้นี่มีความสามารถส่งกระแสที่เรียกว่าวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกนิ้วกาย แล้วพอตาได้สัมผัสกับรูปรูปก็จะวิ่งผ่านทางกระแสวิญญาณนี้เข้าไปที่ตัวรู้ทันทีเข้าไปที่ธาตุรู้ธาตุรู้ก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่ามีรูปชนิดนั้นชนิดนี้แล้วยังมีความสามารถที่ธาตุรูน้นี้ยังมีความสามารถที่จะแยกแยะว่ารูปที่ได้ที่ร่างกายได้เห็นนี้เป็นรูปใครมีสัญญา มีความสามารถที่จะแยกแยะจำจำได้หมายรู้ตัวนี้เราเรียกว่าสัญญาพอวิญญารับรูปเข้ามาสัญญาก็จะเริ่มทำงานว่าเอเป็นรูปใครหนอะเคยเห็นคนนี้หรือเปล่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูพอสัญญาบอกว่า เ, เป็นเพื่อนมันก็จะทำให้เกิดความ รู้สึกเกิดขึ้นมาความรู้สึกนี้ก็อยู่ในจิตอยู่ในอยู่ในธาตุรู้นี้เหมือนกันเรียกว่าเวทนาเวทนา<ม>พอเห็นรูปที่ดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแต่เห็นรูปที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอันนี้เป็นความสามารถของธาตุรู้<ม>นอกจากรับรู้รู ป, ปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วสามารถแยกแยะว่าเป็น ดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษแล้วก็พ อ, อแยกแยะได้รู้ว่าเป็นอะไรก็เกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้แยกแยะเป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาภายในธาตุรู้นี้หรือภายในใจแล้วก็ยังมีความสามารถอีกอันก็คือมีความสามารถสั่งการให้ร่างกายทำอะไรได้ คือมีสังขารความคิดปรุงแต่งพ mm. อรู้ว่าเ ป, เป็นรูปที่ดีก็บอกว่าก็สั่งการไปที่ร่างกายว่าอไปต้อนรับรูปนี้ไปต้อนรับคนนี้ได้วั mm. นนี้เขาเป็นมิตรเขาไม่ได้เป็นศัตรูเป็นต้น mm. ถ้าเป็นศัตรูหรือเป็นผู้ที่หวังร้ายก็สอนบอกสั่งการให้ร่างกายนี้หลบไป mm. อย่าไปเผชิญหน้ากับ <c oughs> รูปนี้เพราะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นต้นอันนี้แหละคือความสามารถของธาตุรู้ <S <S มีอยู่สี่มีอยู่ห้าด้วยกันหนึ่งคือเป็นผู้รู้มีความสามารถที่จะรู้อะไรได้ <S <S แล้วก็มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลธธิ่นรสผลถะพระเวลาที่ <c oughs> มีร่างกายมีสิทธิ์ที่จะไปครอบครองร่างกายนั้น เช่นในช่วงที่มีการก่อตั้งครันขึ้นมาในท้องมารดานี้ธาตุรู้นี้ที่ปราศจากร่างกายเพราะร่างกายอันเก่าเน้นได้ตายจากไปธ mm hmm. าตุรู้นี้ก็จะอยู่ในละ mm hmm. ในสภาพโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีธาตุไม่มีร่างกายเป็น <c oughs> เครื่องมือพอได้มีโอกาสได้ไปจับจองครอบครองร่างกายที่ขณะที่กําลังตั้งคันอยู่ในท้องมารดาน ทารูก็จะส่งกระแสวิญญาณเข้าไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของของร่างกายที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่นั้นอันนี้คือความสามารถของของทารู้สามารถรู้แล้สามารถเชื่อมต่อติดกับร่างกายได้เชื่อมต่อติดกับตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็มีความสามารถแยกแยะรูปเสียงกลิ่นรส ผลทพะที่ตาหูจมูกนิ้นกายได้ไปสัมผัสรับรู้ว่าเป็นรูปอะไรดีหรือไม่ดีเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นภัยหรือไม่เป็นภยัยเป็นต้นพอรู้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาในธาตุรูน้นี้คือรู้ว่าเกิดสุขก็เวทนาความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกไม่หรือความรู้สึกทุกข์ รือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้อยู่ในธาตุรู้ไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายไม่รู้อะไรเลยร่างกายอาจจะเป็นต้นเหตุของของความรู้สึกแต่ตัวร่างกายเองไม่มีความรู้สึกอะไรเวลาที่ร่างกายไม่มีธาตุรู้นี้จะเอาร่างกายไปเผาเอาไปฝังหรือเอาไปทิ่มเอาไปแทงเอาไปผ่าร่างกายจะไม่มีอาการสะดุง้งไม่มีปฏิกิริยาอันใดทั้งสิ้น เพราะผู้ที่มีปฏิกิริยานั้นไม่ได้ใช่ไม่ใช่เป็นร่างกายผุ้นี้มีปฏิกิริยาก็คือธาตุรู้นี่เองแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้แล้วร่างกายนี้ก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับอะไรที่มากระทบเลยอันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าธาตุรู้กับธาตุสีคือร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันมารวมกัน ในขณะที่มีการตั้งครรภ์นในท้องมารดาถ้ารู้นี้ก็เราก็มีหลายชื่อที่เราเรียกกันเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่มาเชื่อมกับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจใจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่ทีนี้จิตใจนี่แหละเป็นผู้ที่มีปัญหา เพราะเวลาที่มารวมกับร่างกายมาเชื่อมต่อกับร่างกายแล้วไปหลงคิดว่าเป็นร่างกาย <S <s เพราะว่าตัวธาตุรู้เองนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนงนี <S <s ้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความรู้สึกนึกคิด <S <s แล้วก็เลยไปคิดว่าความรู้สึกนึกคิดนี้อยู่ในใจ อ, อยู่ในร่างกาย อยู่ที่สมองบ้างตามหลักตามหลักที่นักนักศึกษาทางแพทย์เขาศึกษากันเขาก็ไปสรุปว่ า, าความรู้สึกนึกคิดนี้อยู่ที่สมอง mm hmm. แต่ทางศาสนาทางพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกนี้ท่านพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาท่านแยกแยะท่านรู้ออกจากร่างกายได้ mm hmm. ในขณะที่ เ่รินสมถาภาวนาทำจิตใจให้สงบท่านก็รู้ว่าตัวตัวธาตุารู้ตัวที่รู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นอีกเป็นอีกธาตุหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นคนละคนกับร่างกายเวลาที่ร่างกายแตกดับร่างกายก็ธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัว ก็จะแยกออกจากกันไปธาตุรู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายก็แยกออกไปคาจริงเวลาตายนี้ไม่มีใครตายเล<ม>เพราะว่าเวลาร่างกายตายก็เป็นการแยกแยกธาตุออกไปเท่านั้นเองธาตุที่มารวมกันมาผสมปรุงแต่งให้เป็นอาการสาสองมันก็จะแยกออกไปเวลาคนตายนี้ธาตุแรกที่ออกจากร่างกายก็คือลมธาตุลม พอลมหายใจไม่เข้ามันก็จะมีแต่ลมออกลมที่คั่นค้างอยู่ในร่างกายมันก็จะระเหยมันก็จะออกมาตามด้วยธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็จะหายไปถ้าทิ้งไว้ปล่อยให้มันเน่าเปื่อยมันก็จะมีพวกธาตุน้ำไหลออกมาตามทวาวรต่างๆแล้วจนกระทั่งร่างกายก็แห้งกรอบอะไรอวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบพอธาตุน้ำํำ แยกออกจากร่างกายได้สมบูรณ์แล้วก็จะเหลือแต่ธาตุดินคืออวัยวะต่างๆโครงกระดูกผิวหนังอวัยวะน้อยใหญ่ที่อยู่ในร่างกายมันก็จะแห้งกรอบ <c oughs> แล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะผุพังไปกลายเป็นดินไปกลับคืนสู่ธาตุดินอันนี้แหละคือร่างกายที่ไม่มีตัวไม่มีตน ผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็คือธาตุรู้ธาตุรู้ก็แยกออกจากร่างกายไปตอนที่ร่างกายถึงแก่ความตายแล้วธาตุรู้ก็อยู่ต่อไปอยู่กับอะไรใ น, ในช่วงที่ไม่มีร่างกายธาตุรู้ก็อยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีร่างกาย เวลามีร่างกายก็จะมีการกระทำบาบ้างมีการกระทำบุญบ้างตามโอกาสตามเหตุการณ์ <Okay. S 1> บางวันละก็บางทีอยากจะได้ของอะไรแต่ไม่สามารถที่จะได้มาโดยวิธีสุดจริต <Okay. S 1> ก็อาจจะต้องไปหามาโดยวิธีทุจริต <Okay. S 1> ก็จะเป็นการสร้างบาปไปสะสมบาปไปในในธาตุรู้นี้ บานี้จะมีคุณลักษณะคือเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่จิตใจส่วนบางโอกาสมีความประสงค์หรือมีความปรารถนาอยากที่จะสงเคราะห์ผู้ใดผู้หนึ่งช่วยเหลือผู้ใดผู้หนึ่งหรือตอบแทนบุญคุณให้กับผู้ใดผู้หนึ่งก็จะได้ทำบุญ บุญนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสะสมในธาตุรู้นี้ไปเรื่อยๆคุณสมบัติของบุญก็คือความรู้สึกอิ่มรู้สึกเย็นสบายจะถูกฝังอยู่ในใจและบุญและบาปนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะมาออกฤทธิ์เดชตอนที่ธาตุรู้อยู่ตามลาพังตอนที่แยกออกจากร่างกายนะ ช่วงนั้นถ้ารู้ก็จะถูกอิกทธิพลของบุญและบาปที่ได้ทาไวน้นี้ที่ได้สะสมไว้ในใจนี้มาออกผลมาสแสดงผลขึ้นอยู่กับว่าบุญและบาปนี้ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่ากันบาปก็จะจ ะ, สะแสดงผลด้วยการสร้างมโนภาพต่างๆเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในใจ ที่เป็นเหตุการณ์ที่ทุกข์ทรมานใจสร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความวิตกสร้างความกังวลสร้างความหวาดกลัวต่างๆขึ้นมาภายในใจถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปจะสร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจในรูปแบบต่างๆสร้างแบบความรุ่มร้อนที่เกิดจากความหิวโหยความรุ่มร้อนที่เกิดจากความเครียดความวิตความความหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆ หรือความร้อนที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาปเครียดแค้นกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้<ม>นี่จะเป็นสภาพของธาตุรู้ในขณะที่ไม่มีร่างกายและถูกอิทธิพลของบาปครอบงำอยู่<ม>บาปก็จะสร้างเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาในใจเป็นมโนภาพเป็นเรื่องราวเป็นเหมือนกับความฝัน<ม><ม>ตอนที่เรานอนหลับนี่ ร่างกายก็เหมือนตายชั่วคราวตอนนั้นร่างกายจะไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรแต่ผู้ที่เคลื่อนไหวในขณะที่หลับก็คือใจนี่แหละผู้ท่านรู้นี่แหละที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้วยความคิดปรุงแต่งด้วยสัญญาสังขารแล้วจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาที่เราเรียกว่าฝันหรือนิมิตแล้วก็จะเป็นฝันที่มี ฝันดีก็ก็เป็นก็มีฝันไม่ดีก็มีฝันร้ายก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบุญและบาปที่มีผสมอยู่ภายในใจในขณะนั้นถ้าใจมีบาปมากกว่า บ, บุญก็มักจะฝันร้ายฝันแต่เรื่องราวที่หวาดกลัวบ้างเรื่องราวที่เรื่องราวที่ทําให้เหมือนกับไปตกอยู่ละกําลำบาก อยากขาดแคลนหิวโหวยหรือไปอยู่ในสถานที่มีภัยรอบด้านมีการต่อสู้ฆ่าฟันกันเป็นต้นอันนี้เป็นอิทธิพลของบาปที่จะสร้างฝันร้ายให้กับกับใจในขณะที่น่่งกายนอนหลับแล้วถ้าฝันดีก็จะเป็นเรื่องฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่นได้ไปพบกับ สิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่มหัศจรรย์ใจเห็นแล้วเกิดความสุขความสบายใจเป็นต้นอันนี้เป็นอิทธิพลของบุญที่ได้ทำเอาไว้ที่สะสมอยู่ในใจอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายตายไปหรือร่างกายนอนหลับร่างกายนอนหลับก็ถือว่าตายแบบชั่วคราวตายประมาณสัก 6-7 เจ็ดชั่วโมงเจ็ดดชั่วโมงช่วงนั้นบางทีก็จะมีการฝันฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบุญและบาปที่ได้ทำได้สะสมไว้ในใจนี่แหละคือสภาพของธาตุรู้ในขณะที่ไม่มีร่างกายก็อยู่ในจะอยู่ในอยู่ในแดนของความฝันฝันเรื่องราวที่ดีและไม่ดีต่างๆ ถ้าเรื่องราวไม่ดีเราก็เรียกว่าอยู่ในอบายอยู่ในนรกหรืออยู่อยู่ในเป็นเป็นอสู ร, รกายหรือเป็นเปรตนึสาเหตุที่ทำให้ฝันเรื่องราวเป็นเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าทำบาปด้วยเหตุผลที่ที่ไม่เหมือนกันท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยก็จะเป็นเปรตจะฝันแต่เรื่องที่หิวโหวยอดยาขาดแคลน ไม่พอกินไม่พอใช้มีแต่ความทุกข์กับความไม่พอเพราะมีความหิวโหวยนี่เป็นสาเหตุที่ขณะที่เป็นมนุษย์นี้ชอบทำบาปด้วยความโลภได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้เป็นร้อยล้านแล้วก็จะหามาโดยวิธีทำบาปต่างๆอันนี้มันจะทำให้ดวงวิญญาณเป็นเปรตไปเวลาตายไป มันจะมีแต่ความหิวโหยมีแต่เรื่องหิวโหยให้ให้ได้สัมผัสรับรู้<ม>ถ้าเวลาที่ถ้าทำบาปด้วยความกลัวนี่มันก็จะสร้างเรื่องเหตุราวต่างๆเวลาที่ตายมีแต่เรื่องที่น่าหวาดกลัวให้ได้ไปใ ห, ให้ได้ไปพบไปเห็นกันหวาดกลัวก็จะถูกสิ่งนั้นทำลายจะถูกนั้นสิ่งนั้นมามาฆ่าอะไรเป็นต้นมีแต่เรื่องหวาดกลัวนี่เป็นเพราะว่าทาบาป ด้วยความกลัวเวลาใครกลัวใครกลัวสิ่งใดกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราเราก็เลยทําร้ายเขาก่อนอันนี้เรียกว่าทําบาปด้วยความกลัวดวงวิญญาณก็จะมีเรื่องราวที่น่าหวาดกลัวเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่อยู่ในสภาพที่เป็นดวงวิญญาณแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมเ ดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะมีแต่ความทุกข์ความร้อนด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจะมีแต่เรื่องคนนั้นคนนี้มาคอยจองเวรจองกรรมมามาล้างแค้นอะไรเป็นต้นอันนี้เกิดจากการทาบาลด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทแล้วถ้าทำบาปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นเช่นทาบาเพื่อเลี้ยงชีพ อันนี้ท่านบอกว่าถ้าตายไปก็จะไปเป็นสัตว์ Grade Cath เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทําบาปเขาเลี้ยงชีพด้วยการกระทําบาป <S <S สัตว์ใหญ่ก็จะกินสัตว์น้อยฉะนันใดผู้ที่ธรรมะกินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เ <competency> ช่นเดียวกันตายไปก็จะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ย, ยังจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จนกว่าอิทธิพลของบาปที่ได้ทําไว้มันหมดกําลังลง ถึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วพอมาได้ร่างกายของมนุษย์ก็มามาทําสิ่งต่างๆผ่านร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะในธาตุรู้นี้มีสิ่งที่คอยคอยครอบงามอยู่ก็คือความอยากต่างๆความอยากต่างๆนี้อยู่ในธาตุรู้อยากหาความสุขจาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยคืออยากจะหาความสุขจากจากลาบยศจลเสริญสุขก<ม><อ>็จะแสวงหาลาบยศจลเสริญสุขด้วยวิธีการต่างๆ<ม>บางทีก็อาจจะหาโดยวิธีสุดจริตบางทีก็จะหาโดยวิธีทุทจริต<ม>แล้วก็ถ้ามีลาบยศรราสรุสุขมากมีความสุขมากก็อาจจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นไป ก็จะมีการได้ทำบุญได้ทำบาปสลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะปรากฏในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็พอตายไปบุญกับบาปก็จะมาส่งผลต่อเป็นรอบๆไปนี่ที่เราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนี่คือธาตุรู้ คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดมีมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณตัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตอนนี้แยกแยกไม่ได้ไม่ได้ความจริก็แยกหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่ได้ติดต่อกันแยกออกจากกันขณะที่เป็นดวงวิญญาณก็จะ ไปสวรรค์หรือไปอบายขึ้นอยู่กับบาปหรือบุญเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปก็จะไปอยู่ในอบายถ้าเป็นเรื่องของบุญถ้าบุญมีทิพย์ลมากกว่าบาปบุญก็จะส่งผลให้ดวงวิญญาณนั้นได้ได้สร้างมนุภาพที่ดีที่มีความสุขที่มีความสบายมีความเพลิดเพลินมันเทิงใจอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นต่าง ทางศาสนาท่านก็แบ่ง ส, สวรรค์ไว้หกชั้นด้วยกันสำหรับการผู้ที่ได้มีผู้ที่ได้ทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะจะอยู่ในสภาพของความสุขกดมีแต่เรื่องดีๆสร้างแต่เรื่องดีๆสร้างแต่มโนภาพดีๆขึ้นมาให้ได้สัมผัสได้รับรู้ไปจนกาอิทธิพลของบุญจะหมดลง ก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเหตุที่พาให้มาเกิดใหม่นี้ยังไม่ได้ถูกกาจัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้ารู้มามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศฉรเสริญสุขเองความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นอยาก ล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต mm. แล้วก็ความอยากที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตาย mm. ความอยากไม่ไม่ยากยากจนเป็นต้นไม่อยากทุกข์ลำบากความอยากทั้งสามประการนี้เป็นเหตุที่พาให้ถ้ารู้เลื้อดวงวิญญาณนี้จะกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆหลังจากที่พ้นอิทธิพลของบุญหรือบาปแล้ว mm. ก็จะมา มีร่างกายใหม่แล้วก็จะมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่มาหาความสุขจากราบยศฉลเสริญสุขใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดที่มากับการเกิดเวลาเกิดแล้วก็จะต้องร่างกายก็ต้องมีความแก่ตามมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมามีการพลาดพลาดจากสินที่รักไปจากบุคคลที่รักไป มีการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่เหตุการณ์ที่ไม่ดีเป็นต้นเหตุกากสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับธาตุรู้สร้างความทุกข์ทรมานใจ อ, อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่ได้สามารถยุติการกลับมาเกิดได้ อ, อ น, นาลก็จะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้ง ที่เห็นปัญหาของการเกิดว่าการมาเกิดนี้มันไม่ดีการมาเกิดแล้วมันจะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆนั่นเองซึ่งพระองค์ก็ได้สัมผัสด้วยพระองค์เองในขณะที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ลักลอบออกไปเที่ยวภายในนอกพระราชวังก็ได้ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะในขณะที่อยู่ในพระราชวังนี้พระราชบิดา จะห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังจะไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ของของการมีร่างกายว่าร่างกายนี้เมื่อเมื่อมีแล้วมันจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามตามมาต่อไปไม่อยากจะให้รู้เพราะกลัวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะมีความทุกข์ใจและจะคิดหาความหาวิธีดับความทุกข์ใจด้วยการออกบวช เพราะว่าเนื่องจากวันที่ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดประสูตออกมาใหม่ๆนี้พระราชบิดาก็ได้เชิญโหราจารมาทํานายชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะว่าต่อไปเวลาโตขึ้นจะเป็นอย่างไรโหราจารส่วนใหญ่ก็ได้ทํานายว่ามีสองคติด้วยกันมีสองทางด้วยกันว่า ถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่<อ>ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาทีานี้เจ้าชายพระราชบิดาก็รู้ว่าการที่คนออกบวชนี้ก็เพราะว่าเห็นความทุกข์ในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายกันก็กลัวว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากกัน ก็จะไม่อยากจะอยู่เป็นกษัตริย์ต่อไปอยากจะออกบวชเจ้าชายพระราชนิพนธ์ก็เลยห้ามไม่ให้เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังแล้วก็ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปเที่ยวเล่นตามอัธยาศัยถ้าจะไปก็ต้องมีการเตรียมสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยก่อนคอยไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายให้เจ้าชายสิทธัตถะได้พบได้เห็นนั่นเอง แต่วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะอยากจะไปดูความเป็นจริงแบบที่ไม่มีการจัดฉากก็คือลักลอบหนีออกไปดูไปชมความเป็นจริงนอกวังออพอออกไปก็ได้เห็นความจริงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพอเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นภาพ แล้วเหล่านี้ไม่ได้คิดเลยไม่รู้เลยว่าตอนเองนี้ต่อไปจะต้องเป็นคนแก่จะต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเป็นคนตายก็เลยทำให้ไม่มีความไม่มีความปรารถนาที่อยากจะอยู่หาความสุขจากลาบยศเสริญสุขอีกต่อไปเพราะรู้ว่าต่อไปร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปตามลำดับแล้วความสามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศเสริญสุขนี้มันก็ จะน้อยลงไปแล้วจะทั้งไม่มีเหลือเลยจะมีแต่ความทุกข์ใจตลอดเวลาก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะไปบวชพอเห็นนักบวชแล้วได้ทราบว่าวิธีที่จะผู้ที่จะหาวิธีให้พ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บได้ด้านนี้ก็ต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นก็เลยมีความปรารถนา คิดอ <geographical> ย <ası desserts> ู่ภายในใจว่าอยากจะออกบวชแต่ก็รู้ว่าถ้าไปบอกพระราชบิดาก <ca> ็คงจะไม่ไ <outra> ด้อนุญาตให้ไปได้ก็เลยรอจังหวะพอมีวันหนึ่งวันที่พระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระโอรสออกมาก็เกิดความรู้สึกว่าต้องตัดสินพระทัยแล้วว่าจะอยู่หรือจะไป ก็สรงอุทานเวลาได้ข่าวว่าได้ผ้าโอรสแล้วเจ้าชายสิทธัตถาก็ว่าราหุนอุทานออกมาว่าราหุนคําว่าราหุนนี่ก็แปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะผูกมัดใจของเจ้าชายสิทธัตถะให้อยู่กับครอบครัวให้อยู่กับภรรยาให้อยู่กับลูกต่อไปไม่สามารถที่จะออกบวชได้เมื่อรู้ว่าเกิดบ่วงแล้วถ้าไม่อยากจะให้บ่วงรัดตนก็เลยต้องหนีออกจากบ่วงนั้นไปในคืนนั้น ตัดสินพระไทยหนี อ, ออกจากพระราชวังไปออกไปบวชในคืนวันที่ได้ยินข่าวไม่ยอมไปมองหน้าพระราชโอรสเพราะกลัวว่าจะไม่มีจะกำลังใจจะไม่ไม่มีกำลังใจพอที่จะตัดได้ก็เลยไม่ไปดูไม่ไปมองไม่ไปเห็นไปในคืนนั้นเลยโดยที่ไม่บอกใครมีมหาเล็กตามไปส่งถึงชายแดนเท่านั้นเอง หลังจากนั้นพระองค์ก็ไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่หกปีด้วยกันในแสงไปแ ส, งปสวงหาวิธีการที่จะดับความทุกข์ของใจที่เกิดจากการพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับการพัดพากจากกันในที่สุดก็ทรงได้ตัดจารุสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากสามประการด้วยกันความอยาก หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาภายในใจแล้วใจก็จะทุกร้อนขึ้นมาทันทีแต่เวลาที่สามารถดับความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการมองความเป็นจริงว่าธรรมชาติของร่างกายนี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันมันมีวัฏจักรของมันคือเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมายับยั้งขั้นตอนเหล่านี้ได้ถ้าอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกไปปปล่า โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ถ้ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายไม่ไปมีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็ไม่ทุกข์ใจก็กลับสบายไม่เดือดร้อนพระ อ, องค์กในที่สุดก็เลยสามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆด้วยการเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมเช่นร่างกาย ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นเป็นภาวะปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสามารถไปห้ามปรามมันได้มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็จะทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร อ, องค์ก็เลยหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงได้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ ความทุกข์ภายในใจก็หายไปหมดแล้วนอกจากความทุกข์ในใจหายไปหมดแล้วความอยากที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดมันก็มันก็ไม่มีอีกต่อไปพอไม่มีความอยากที่จะมาหาความสุขจากลาบยศรเสลเสริญสุขมหาความอยากมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีร่างกาย เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีการเกิดเมื่อไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ไม่อยากจะได้ความเจริญในราบยศเสริญสุขไม่มีความอยากให้ราบยศเสริญสุขเสียอไปความอยากที่มีอยู่ในใจที่พาให้มาเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปพอความอยากไม่มีการเกิดก็จะไม่มีตามมาเมื่อไม่มีการเกิดมันก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายต่อไป ถ้ารู้ก็ยังอยู่ต่อไปถ้ารู้ผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ไม่ได้ตายไปเพียงแต่อยู่ในสภาพที่อิ่มสบายที่สุขที่เย็นเพราะว่าเหตุที่พาให้ทําให้ถ้ารู้นี่ร่วมร้อนคือความอยากต่างๆนี้ได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาค้นพบนคือเห็นปัญญาที่เห็นในกฎของไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นสิ่งชั่วคราวอ น, นิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในโลกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมดาและจะต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้เขาไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็เลยทาให ความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้เจ้าชายเสียทัศน์มาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เส้นสุดลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจแต่อย่างใดเพราใจมองเห็นด้วยปัญญาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย <c oughs> ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาอันนี้คือคือเรื่องของธาตุรู้ที่นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีที่จะกําจัดธาตุรู้นี้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในธาตุรู้นี้ให้หมดสิ้นไปและยุติการให้ธาตุรู้นี้ไปเชื่อมต่อกับร่างกาย เพาทุกครั้งที่ไปเชื่อมต่อกับร่างกายก็จะต้องไปรับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและเกิดจากการพัดภาดจากของที่ถ้ารู้ได้ไปครอบครองได้เป็นได้มีคือสิ่งที่รักที่ชอบทั้งหลายทั้งปวง mm hmm. ก็จะไม่ต้องมีการพัดพลาคจากการอีกต่อไปพอ mm hmm. หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรตวแล้ว mm hmm. พระองค์ก็ทรงนําเอาความรู้อันนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจใครสนใจพระ อ, องค์ก็จะสอนสอนให้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็ถ้าใครสามารถปฏิบัติตามได้ก็สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้และวิธีการที่จะกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปนี้ ก็คือมัชหรือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชีมาปฏิปทาทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาจนสามารถที่จะทําให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ อ, องค์ก็ทรงนําเอามัชที่มีที่เป็นทางสายกลางนี้ทางที่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้มาเผยแผ่สั่ง ส, สอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ มรรคที่จะทําให้ผู้ที่ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ก็มี8ข้อด้วยกันที่เรียกว่ามรรคที่มีองค์8 <Yes. S 1> เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นทางสายกลางระหว่างวิธีดับทุกข์ที่ที่ที่สุดตรงสองด้านด้านหนึ่งคือดับทุกข์ด้วยการใช้ความสุขการมาสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสมาดับก็ดับไม่ได้ อีกด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อดับความทุกข์ก็ดับไม่ได้วิธีที่จ ะ, ะดับได้ก็ต้องใช้วิธีสายการนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาที่มีมีองค์ประกอบอยู่แดองค์ด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้อง 2. สองสัมมาสังกปร ค, ความดำริความคิดที่ถูกต้องสาม สัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสี่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องห้าสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องหกสัมมาวายโมความภาคเพียรที่ถูกต้องเจ็ดสัมมาสติการระลึกรูกทกมมท้ที่ถูกต้องและแปดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องถ้าสามารถสร้าง มรรคที่มีองค์แปดนี้ได้ครบบริบูรณ์<ม>ก็จะสามารถกําจัดความอยากที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้<ม>ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องศึกษามรรคแปดนี้แล้วพยายามเจริญมรรคแปดนี้ให้สมบูรณ์<ม>สามาทิติความเห็นทุกที่ถูกต้องนั้นเห็นว่าอย่างไร<ม>ก็เห็นอริยสัจสี่นี่ เ, <ม>เห็นใจรัก<ม>เห็นอริยสัจส<ม>ี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาก เห็นและวิธีที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ, ๆที่อยากได้นั้นเป็นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นทุกข์เช่นลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ก็จะไม่ไปแสวงหาลาบยศสารเสริญสุก <Yeah. S 2> พอไม่มีลาบยศสารเสริญสุขก็จะไม่ต้องทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุก <Yeah. Yeah. S 2> แล้วก็เห็นว่า ความทุกนี้เกิดจากการกระทำบาปต่างๆเมื่อเห็นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะคิดจะจะทําบุญไม่ละบาปจะจะไม่ทําบาปสัมมาสังคโปรก็จะตามมาความคิดที่ถูกต้องก็จะละการละความอยากต่างๆละการกระทําบาปละการกระทําที่ไม่ถูกต้องการที่ไม่ถูกต้องก็คืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณี อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมากัมมันโตการกระทําที่ถูกต้อง<ม>ข้อที่สามต้องต้องมีศีลนั่นเองสัมมากัมมันโตไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มของบุญเมามแล้วก็ข้อที่สี่ก็สัมมาวาจาก็ไม่พูดปดพูดแต่ความจรงิง<ม>แล้วข้อที่ห้าก็มีสัมมาชีโวมีอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นก็จะนำไปสู่การไปเกิดนอบายต่อไปแล้วข้อที่ข้อที่หกคือความเพียรชอบก็คือเพียรที่จะทำความดีละบาปทำบุญทำทานรักษาศรรษีลภาวนานี่งเรียกว่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องเพียรเจริญสติข้อที่ข้อที่เจ็ดก็คือสร้างสติขึ้นมา ด้วยการหมั่นเจริญกรรมฐานเจริญจิตตะภาวนาพยายามใช้กรรมฐานคืออารมณ์ที่จะคอยควบคุมความคิดให้จิตไม่ลอยไปลอยมาให้จิตละเลิกรู้อยู่ในปัจจุบันเรี<ม>ยกว่าการเจริญสติ<ม>เช่นการใช้คำพริกรรมพุโทโธพุทโธเป็นต้นอันนี้เป็นการนำไปสู่การที่จะได้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ตั้งมั่นอยู่ในอัปปนาสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาถ้าสามารถปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ธรรมเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้อยู่เรื่อยๆ อ, อ, อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การเจริญมรรคถ้ามีมรรคแล้วก็จะสามารถที่จะละตัหาความอยากได้ เมื่อตัญหาความอยากได้ทุกที่ปรากฏก็จะหายไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือการทำงานของอลรลิยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกนี้คือความทุกข์ใจที่เกิดจากเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักไปเวลาที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่ไม่ปรารถนา ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาน่าสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดนี้ก็เกิดจากความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, หากามาตัณหาคือความอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจะต้องละความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ใจถ้าต้องการให้นิโรธคือการดับทุกข์ การสิ้นทุกข์หมดทุกข์กเกิดขึ้นมาอริยสัจข้อที่สามก็คื อ, อนิโรธการหมดทุกข์การดับของความทุกข์และการที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปได้ก็ต้องอาศัยมรรคอริยสัจข้อที่สมรรคก็คือมรรคแปดนี่เองที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะไปจนทถึงสัมมาสมาธิผู้ที่ต้องการที่จะละตัณหาเพื่อดับความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไป จำเป็นที่จะต้องเจริญมรรคแปดนี้ให้ได้เจ ร, ริญสัมมาสมาทิฏิสัมมาสังโปรสมาทิทฐิก็ได้จากการศึกษาธรรมะนี่เองฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากผู้ที่มีสมาทิทฐิพอได้สมาทิทฐิว่าจะต้องทำอะไรก็ <S 1> <S 1> <S คือจะต้องไปเจริญมรรคต้องไปศึกษา ความจริงของโลกพราโลกนี้เป็นโลกที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตน้นไม่ควรที่จะไปอยากได้อะไรมาพราะได้มาแล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอศึกษาแล้วก็จะได้นํำมาไปปฏิบัตินรู้แล้วว่าจะต้องรักษาศีลต้องมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสมาอาชิโวะว่ารักษาศีลมีอาชีพที่สุดเจริญไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วก็เอาเวลาไปฝึกสติเจริญสติเปีกวิเวกไปหาความสงบทําใจให้สงบนั่งสมาธิให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาพอใจรวมเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วใจก็จะมีอยู่เบกขามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ <Yeah. S 1> พอจากสมาธิมาพอพิจารณาด้วยปัญญาเวลาเกิดความอยาก ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าใจมีโอเบคาก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากได้จะไม่รู้สึกทรมานใจแต่เวลาที่ไม่มีโอเบคานี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้แทบจะทนไม่ไหวจะสู้ความอยากไม่ไหวถ้าไม่ทำตามความอยากแล้วมันจะตายให้ได้ แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะนิ่งจะเฉยจะไม่เดือดร้อนถ้าเห็นว่าการไปทำความอยากแล้วจะเป็นการนำใจให้ไปสู่ความทุกข์ต่อไปใจก็ฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้พอความอยากหยุดไปปับ๊บใจก็เบาใจก็เย็นใจก็สบายขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนเลยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดของความอยากนี้เท่านั้นเอง พอความอยากที่ปรากฏขึ้นมาที่สร้างความวุ่นวายจะให้ใจนั้นหายไปพอความอยากหายไปทะนั้นใจก็นิ่งสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่นัตติสันติพลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีความสงบของใจนี้เกิดจากการระงับความอยากต่างๆเวลาที่มันปรากฏขึ้นมา สังเกตดูเวลาที่เราไม่มีความอยากนี้ใจเราจะรู้สึกสบายไม่ไม่วุ่นวายแต่พอเกิดความอยากอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอยากจะไปนู่นอยากจะมานี่อยากจะทําอะไรขึ้นมาแล้ว น, นี่พอไม่ได้นี้ใจมันจะกังวนกระวายกระสับกระส่ายหรือบางทีก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าซร้อย ห, หงอยเหว่ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความรูปเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆที่เกิดจากความอยากนี่ พอเรารู้ว่านี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราพอมันอยากให้เราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปพอมันอยากให้เราไปกินไปดื่มอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องกินต้องดื่มเราก็อย่าไปกินไปดื่มเวลามันอยากให้เราไปดูไปฟังอะไรเราก็อย่าไปทำตามมันฝืนมันใช้ใช้สติใช้สมาธิสู้กับมันไปถ้าสติสมาธิมีกำลังมากกว่าความอยากความอยากเดี๋ยวมันก็จะหยุดไปเอง พอหยุดแล้วใจก็เบาใจก็โล่งขึ้นมาเย็นสบายขึ้นมาเกิดความสุขอันุหัศจ์รย์ใจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรเลยความสุขที่แท้จริงที่เลิศที่วิเศษก็คือความสุขที่ได้จากการชนะความอยากนี่ถ้าเราหยุดความอยากได้ทําให้ความอยากมันหมดกําลังลงได้ด้วยการไม่ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากความอยากที่มันคอยผลักดันเดี๋ยวมันก็หมดกําลังลงพอมันหมดกําลังลง ความอยากที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็หายไปใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเพียงแต่หยุดความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจให้มันหายไปเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้ความจริงอันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรเวลาใจพ้นจากความอยากแต่ละขั้นแต่ละตัวนี้มันทําให้ใจเบาใจโล่งใจเย็นใจสบาย เป็นคนที่เลิกยาเสพติดชนิดต่างๆได้เลิกกาแฟได้เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้พอเลิอกอะไรสิ่งที่เคยติดได้นี้พอเลิกแล้วมันเบามันสบายเพราะไม่มีอะไรมาคอยกดดันให้ไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเสพติดต่อไปนี่แหละคือโทษของความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับสัตว์โลกตัวที่มาสร้างตัวตัวที่พาให้สัตว์โลกคือถ้ารู้นี้ไปเวียนว่ายตายเกิด ในพบน้อยพบใหญ่มาเป็นเวลายาวนานนี้และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกหลายครั้งแล้วพอมาปรากฏแล้วพระองค์ก็จะเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยการนําเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะดับความทุกข์ใจพอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วได้ปฏิบัติตามก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้ ปรากฏเป็นพระอาหลานตัดสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุนี้พระอาหลานตัดสาวกแม้แต่รูปเดียวก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองต้องรอให้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถมาค้นพบความจริงของความทุกข์ได้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆนี้งนั้นพวกเราถือว่าโชคดีที่เราได้มาพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้าเองจะไม่อยู่แล้วก็ตามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวของพระเจ้านี้อยู่ในธรรมสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าเราได้ศึกษาธรรมก็เท่ากับเราได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรานําเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จะได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระเจ้าได้ส่งหลุดพ้นเช่นเดียวกันนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราที่นํเอามาฝากท่านในวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติขออนุโมทนายะถาวาเลวาหาปูราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ เยจีตังปฏิีตังตุมหังทิพเปเมวะสมิจจตุสัพเพตุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติวะโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโควินัศสตุมาเตภวัตตะวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทนสีริตะนิจังวุฒาปจายโนจตารธมรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวก ถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในในตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้<ม>วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรทาง Facebook 428 YouTube พระสุชาติไลฟ์305 YouTube ดร V 66วิทยุออนไลน์8ค l ับ h o u s ์5หน้ากุฏิ173รวม985ค่ะ ก็มีคําถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากคุณสุธารัตน์น้อมกราบสาธุเจ้าค่ะเริ่มปฏิบัติประจําเจ้าค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทางโลกแต่ก็ละไม่ได้ยังต้องห่วงลูกเจ้าค่ะสามีก็ไม่เข้าใจไปคนละทางเจ้าค่ะแต่ก็ต้องอดทนเพื่อลูกควรทําอย่างไรดีคะคิดถึงว่าชีวิตเรามันเป็นของชั่วคราวเป็นละครฉากหนึ่งเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จบลง ัอย่าไปยึดไปติดกับมันม า, มากจนเกินไปยังไงก็ต้องตายจากกันอยู่ดีงั้นควรที่จะรีบจากกันโดยที่เราได้รับประโยชน์จะดีกว่ารีบไปหาสิ่งที่ดีที่รอเราทุกคนอยู่คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไม่ใช่จะมีโอกาสได้เกิดขึ้นได้ง่ายได้บ่อยนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามานาทางทักครั้งหนึ่ง นั้นอย่าให้เรื่องต่างๆมันดึงเราไว้เลยค <ใน S 1> ิดว่ายังไงเราก็ต้องตายจากกันอยู่ดีฉันจากจากกันตอนเป็นดีกว่าจากกันตอนตายจากตอนเป็นเรายังไปทำประโยชน์ได้เขาก็ไปทำประโยชน์ของเขาได้ขออนุญาตเลยเราลืมความตายกันว่าโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวเราอยู่กันชั่วคราวสิ่งเรืงต่างๆที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเครืของทรัพย์สมบัติ ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามมันเป็นของชั่วคราวนะตายไปเอาติดตัวไปได้ไม่ ไ, มได้เลยไมมแต่อย่างเดียวสิ่งที่เราจะติดตัวไปได้ก็คือความทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไปสบายไปสุขโตถ mm ้า hmm. เอาความทุกข์ไปด้วยมันก็ไปทุกขโต mm hmm. ไปสู่ mm hmm. ทุกขติฉ mm ั hmm. ้พยายามมาปฏิบัติเพื่อล่ความทุกข์กันดีกว่า ทำใจให้สงบปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆให้ได้พอความอยากน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงพอความอยากหมดไปความทุกข์ก็จะหมดไปแค่นั้นแหละยังไงยังไงเราก็ต้องจากกันอยู่ดีจากกันแบบสบายดีกว่าจากกันแบบไม่มีความทุกข์ดีกว่าดีกว่าจากกันแบบมีความทุกข์เพราะว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้และสามารถจากกันอย่างมีความสุขได้ ถ้าเรามีธรรมะถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติแต่ช่วงนี้ปฏิบัตินี้เราจําเป็นจะต้องแยกตัวเราไปอยู่คนเดียวเพราะถ้าอยู่ด้วยกันแล้ว ม, ม, มันมันมันมีมีมีอุปสรรคคอยขวางกั้นอยู่ยเรื่อยๆการจะไปปฏิบัติธรรมนี้ต้องไปอยู่คนเดียวปฏิบัติเสร็จแล้วก็กลับมาช่วยคนนั้นช่วยคนนี้นได้สอนคนนั้นสอนคนนี้นได้อย่างพระพุทธเจ้าตานปฏิบัติก็ต้องไปบวชเอา เกวิเวกไปปฏิบัติอยู่คนเดียว6ปีหลังจากหลุดพ้นแล้วก็ทีนี้ก็กลับมาสอนญาติพี่น้องพาญาติพี่น้องได้ปฏิบัติได้บวชกันได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจํานวนมากนอกจากญาติพี่น้องแล้วก็ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้อีกมากมายจนถึงปัจจุบันนี้หเมื่อว่าเจ้าจะจากเราไป 2,500 กว่าปีแล้วแต่ความคุณงามความดีของท่านคําสั่งคําสอนของท่านนี้ ยังมีบทบาทต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกที่มีที่มาเกิดในยุคนี้สมัยนี้อันนี้แหละเป็นวิธีการของนักปราศคือเป้าหมายของนักปราศคือการดับความทุกข์ใจการจะดับความทุกข์ใจได้ก็ต้องละความอยากต่างๆให้หมดสิ้น็อยากใจการจะละได้ก็ต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดนี่ถ้าปฏิบัติมรรคแปดได้ก็จะละความอยากได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ มีคำถามทาง u t u b e ค่ะถ้าเราไม่สวดมนต์แต่ทําสมาธิตลอดจะดีต่อการบารงชีวิตไหมคะนี่เห็ท่านจิตใจมีความสงบ ม, มันก็มีความสุขความสุขนี้มันก็จเะเผยแผ่ออกไปให้คนอื่นเจอใครทั้งที่จะระบายความทุกข์ก็ระบายความสุขให้กับเขาเจอใครก็ยิ้มให้กับเขาเขาเห็นนรอยยิ้มเราเขาก็มีความสุขละไม่ใช่เจอใครก็หน้าบึง้งแยกเคี้ยวใส่กันดังนั้นการมีสติมีสมาธินี้มันทําให้ใจมีความสุข แล้วมันใจมีความสุขมันก็จะมันก็จะกระจายความสุขนี้ออกไปให้กับคนอื่นคนที่อยู่ใกล้คนที่มีความสุขก็มีความสุขตามไปด้วยเห็นเขามีความสุขก็ทําให้เราสุขตามไปด้วยคําถามจากคุณทีเอ็มบีขอถามพระอาจารย์เรื่องการฆ่าสัตว์ถามว่าใจเรารู้ว่าหมูที่เรากินนี้ผ่านการฆ่ามาแล้วแต่เราไม่เห็นไม่ได้สั่งให้ฆ่าเราผิดศีลหรือไม่ครับ ไม่ผิดหรอถ้าเราไม่สั่งหรือหรือทำเองนี่ไม่ผิดแล้วเพราะธรรมชาติคือสิ่งใดมิเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้ามันตายของมันด้วยวิธีการใดที่ไม่เกี่ยวกับเราก็เราก็ไม่มีส่วนเราจะกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่บาปแต่อย่างใด คุณไตรตาถามเพิ่มเมื่อสักครู่ที่เรียนถามเรื่องไม่สวดมนต์แต่ทําสมาธินะคะขอสอบถามเพิ่มว่าก็คือทําสมาธิโดยไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ใช่ไหมคะใช่โดยการสวดมนต์นี้สําหรับคนที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วเจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ไม่สามารถดูลเมเนื้อพุทธโธได้ก็สวดมนต์ไปก่อนทําใจให้สงบจากการสวดมนต์ก่อนแล้วก็กลับมานั่งสมาธิต่อ คำถามจากคุณเที่ยวไปเรื่อยๆการมีครอบครวัวและแบ่งเวลามาปฏิบัติกับการไม่มีคู่และปฏิบัติธรรมแบบไหนดีกว่ากันครับการไม่มีคู่ ก, การไม่มีคู่ <avier. S 1> แต่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวค่ะอย่างไรดีกว่ากันคือเรื่องค่ะการมีครอบครวัวและแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมหรือการไม่มีคู่และปฏิบัติธรรมแบบ ไ, ไหนดีกว่ากันบวต้องดีกว่าเลย จะได้ปฏิบัติได้อย่างเหมือนขึ้นทางด่วนแต่ถ้ามีครอครัวก็เหมือนขับรถอยู่ใต้ทางด่วนมันก็ติดน่นติดนี่ติ ด, ดรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดไฟแดงไฟอะไรต่างๆแต่ถ้าขึ้นทางด่วนก็ไปตลอดเลยไม่ต้องมีการหยุดคนที่ไม่มีคู่ไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาบ้านเลยไปเลยไปเปีกที่เวกอยู่จนกว่าจะหลุดพ้นอย่างพระพุทธเจ้านี คำถามนี้มันไม่น่าจะถามเลยดูตัวอย่างพระพุทธเจ้ายมันก็เห็นอยู่แล้วหมือนด้อเหโอเคมีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้นะช่วงนี้เดี๋ยวพอเลิกก็อย่าอย่ามาถามนะเพราะว่าเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยมีแรงต้องใช้อาสัยไมโครโฟน คุใกใ ก, ใกล้ป่าไหมกล่าวพระอาจารย์เจ้าค่ะเอหนูสงสัยในข้อที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใบไม้หรือสรพรพสิ่งเสมอด้วยตัวเราค่ะหนูเข้าใจในเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟแต่หนูไม่เข้าใจว่าจะเห็นยังไงถึงจะเสมอกันกับเราเจ้าค่ะจะเห็นยังไงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบสิใบไม้มันก็เกิดใช่ไหมกต่แล้วเดี๋ยวมันก็แก่ใช่ไหม เล้วมันก็ตายนะมันก็ร่วงจากต้นไม้ร่างกายเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ใบไม้ใบหนึ่งที่มามามาอยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้แล้วร่างกายเราก็เป็นเหมือนใบไม้ <c oughs> เวลาเราเกิดก็เหมือนใบไม้งอกออกมาจากกิ่งไม้แล้วมันก็ค่อยๆเจริญเตบิตบโตขึ้นไปเรื่อยๆจากเขียวก็กลายเป็นกลายเป็นน้ำตาลแล้วในที่สุดมันก็หลุดคั่วาจาก จากต้นไม้ลงมากับเครื่องสุ่ดินไปร่างกายแล้วก็อย่างนี้เหมือนเหมือนกับใบไม้อ๋อหนูเขาจะคือกดไตรัดใช่ไหมคะอ่ากดไตรัดอริจังไม่เที่ยงอือน้าตาเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้ใบไม้มันออกมาได้ไหมเวลามันจะออกใบมันก็ออกใบไมาเวลามันจะร่วงลงมามันก็ร่วงลงมา เราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้นัางกายเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิดมันก็เกิดใช่เวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันก็แก่เจ็บตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน mm. เราก็ไม่ทุกข์กับใบไม้เราไม่ทุกข์ mm. ใช่ไหมกับนัางกายนี้เรายังทุกข์อยู่ mm. เพราะยังไม่เห็นว่าเป็นใบไม้ยังเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ mm. เราไม่ใช่ใบไม้เราเป็นคนที่มาจับจองควบคุมมาเป็นเจ้าของชั่วคราว คือใจถ้ารู้มันครอบครองร่างกายนี้ชั่วคราวเป็เหมือนซื้อรถเนะี่ยไปซื้อรถมารถก็เป็นของที่เราใช้แล้ววันหนึ่งรถมันก็ต้องพังไปนะแต่เราคนใช้ไม่ได้พังไปกับรถใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนใบไม้เหมือนรถยนต์เหมือนฟองน้ําฟองน้ํามันก็อยู่ดีดมันก็โผล่มาจะมีใครไปทําให้มันมีฟองมันก็ฟองมันก็โผล่ขึ้นมา เดี๋ยวพองมันก็ดับไปหายไปร่างกายนี้ก็เหมือนคลองน้ะเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปกบขอบคุณเจ้าคะ่ะ ม, มีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะหนูมีปัญหาเรื่องเดิมกับคนเดิมตลอดระยะเวลาหลายสิบปีซึ่งทำให้ทุกข์ใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆหนูขอคำแนะนำจากผ้ อ, อาจารย์เจ้าคะ่ะ ก็ปัญหาอยู <immigrant> ่ท like like like like like ี่เราไม่ได้อยู <görüş> ่ที่เขาเราประยัดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นไปตามความอยากเราก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราปล่อยเขาว่าเราบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไปอย่าปยายัดให้เขาเป็นส้มมันก็หมดปัญหาถ้าปยายัดให้เขาเป็นส้มมันก็ทุกครั้งเห็นกล้วยมันก็ไม่พอใจมันก็ไม่สบายใจ อยากให้เขาเลิกเมาเหล้าไม่กินเหล้าทุกครั้งเจอเขาก็ากินเหล้าเมาเหล้าอย่างมันก็ไม่สบายใจแต่ถ้าปล่อยมันอยากจะเมาเหล้าก็ปล่อยมันเมาไปไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ทุกเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญห า, หากับใครปัญหาอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราอยากไปจัดการกับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากจะให้เขาเป็นเราก็ทุกข์ใจนั่นองดแล้วยังโอเค